วันนี้จะเทศถึงเรื่องธรรมะให้ฟังธรรมะนั้นใครก็ต้องการรู้ต้องการเห็นและต้องการศึกษาให้เข้าใจทุกผู้ทุกคนธรรมะในที่นี้เรียกว่าเป็นของเดิมของจริงของแท้ขั่าจริงทั้ ง, งหวงมดทุกสิ่งทุกอย่างรวบรวมเรียกว่าธรรมะทั้งหมด แม่ตัวของเราก็เช่นเดียวกันตั้งแต่ตั้งแต่ข้อตรงมามีรูกทำนามธรรมัราเรียกว่าธรรมะรูปคือสิ่งที่ไม่เห็นได้แก่จิตใจนามธรรมในรูปได้ได้แก่รูปกายคือาธาตุจิตนาลไตรลภนามธรรมได้แก่จิตใจเราได้มาพร้อมแล้ว ทุกสิ่งทุกประการตั้งแต่เกิดมาหรือแม้แต่ปฏิสุนที่อยู่ในคันก็มมันดามีลูกมีนามแล้วก็ตั้งแต่นู้นมาเราได้แล้วทุกคนในคันนี้เราหาลูกหานหามต้องหาธรรมทุกคนพาฟังหาธรรมศึกษาธรรมอบรมธรรมไปอบรมที่ไหนกันนะคะ มันมียุ่งในไปอบรมไหนกันก็ทั้งอบรมในที่นี้เองอไปที่อื่นไม่เห็นหรอกน่าเป็นธรรมอื่นนอกแค่นี้มัาเป็นธรรมอันนี้เป็นเบื้องต้นทุกคนละได้มาแล้วทั้งนั้นอันนี้ลูกธรรมแล้วครับอธิบายแยกออกไปหลายอย่างหลายเรื่องเช่นทุกข์สุขเระโยชน์สุขเวทนาทุกขเวทนาท ทุกกายนี่แหละทุกใจนี่แหละทุกทั้งสองอย่างนี่แนะทุกกายทุกใจทุกกายคือทุกภายนอกแจ้งออกไปในราคนี้อย่าไปลืมหลักที่ว่าเราได้แล้วทีแจ้งให้ฟังที่เรียกว่ารูปน้ําคือธรรมรูปธรรมน้ำไม่ธรรมแจ้งออกไปที่เรียกว่าความสุขความทุกข์ นั่นก็เป็นธรรมอันหนึง่งธรรมที่เป็นทุกข์กายคือได้เลตกายของเรานี่แหละอยู่ดีๆนะเราเข้าใจว่าไม่ทุกข์ลองให้คิดดูนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถเปลี่ยนอิริยาบถคือเปลี่ยนทุกข์เปลี่ยนจากนอน ไปหาลุกนั่งมันทุกมากก็เปลี่ยนไปหาเดินเดินมันมากทุกมากก็ต้องเปลี่ยนไปหายืนไปหาเดินไปหาหนั่งนอนอีกของเก่านะกลับมาของเก่านะท่านจึงว่าจัจากรจักรังจักรอันนี้มีสี่อย่างมีสี่ประการคือว่ายืนเดินนั่งนอนนั่นเองเป็นจกักเป็นยนต์นั่นึ่ง มนุษย์ของเราธรรมดาเครื่องจักรอันนี้นั่นเราเราไม่ได้แต่งบิดามันดาก็ไม่ได้แต่งบุญกรรมแต่งให้หต่างหาพอค้อดออกมาครบบริบูรณ์มดหูตาจมูกเรียงกายใจครบเอาไ้จะว่าทุกชิ้นทุกส่วนไม่ได้แต่งเพิ่มเติมไม่มีใครขาดตกบุคของคนเดียว นันเรียกว่าทำค ร, ราวนี้ทุกใจอะไรการ์นิกุ้มใจทุกโทมนัดเดือดร้อนวุ่นวี่วุ่ น, ว, น, ว, นวายสาะฟัดทุกอย่างภายในใจใครก็รู้ทุกคนแหละข้ามาทุกใจในใครรู้ทุกคนน่นะกุ้มหัวกุมใจอยู่มันเป็นสุขคราวนี้เกานทุกใจมันก็นกระเทือนเรงทุกกายมันก็ ทุกทั้งสองอย่างทั้งทุกใจและทุกกายโดยแยกออกไปนี่แยกออกไปจากรูปทำนามาทาแยกออกไปอีกที่เรียกว่าอายจตนาคือตาหูจหมูกลิ้นกายใจทั้งภายในภายนอกภายนอกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัะธมาล้ม ภายในได้แก่ดได้เกิไอ้รูปได้เกิดเวทนาสัญญาสังขารมีอย่างกระทบทั้งภายนอกและภายในกระทบกันอยู่แบบนี้แยกออกไปอีกคันหายจะหน้าทั้งหมดคันหน้าห้าคือรูปเสียงเวรรูปเวทนาสัญญาสังขารมีอย่างอายณะคืออายณะทั้งหกอย่างอธิบายมาแล้วกระจายออกไปจากนี้ทั้งนั้นนี้เรียกว่าเรียนทำ ถ้าหาเรียนทำต้องเรียนมีเรียนอื่ น, นไกลมันไม่ใช่ทานี่เราเรียนทำเรารู้ธรรมของพนนี้ไม่ใช่รู้ที่อื่นรู้ธรรมคือรูปนามนี่เองพิจารณาเถอะใครๆก็พิจารณากรารู้ใดทั้งนั้นเนะ่ะมีในตัวของตนอยู่บ้านอยู่ป่าอยู่วัดอยู่อารีย์ต่างเรียนได้เดียกันทั้งนั้นธรรมมีแล้วอ่นนี้ จะไปเรียนทําไมบางคนเรียนทําำนี้แล้จะปฏิบัติ ท, ทําไมมันต้องปฏิบัติสิได้ของดีแล้วใช่ไม่เป็นเมื่อก่อนเลวไหลเมื่อสัทีใช่ไม่เป็นเมื่อก่อนเลอะเทอะเปืเป้อนเมื่อสักทคนที่ไม่เรียนคนคนที่ไม่เรียนนะมีธรรมแล้วไม่เรีย น, น่ะมันจึง เ, เลอะเทอะมันเดือดร้อนทุกวันนี้ก็เพราะคนไม่เรียนธรรมคนไม่เห็นธรรมนี่ ถ้าหากทุกคนพากันเรียนรู้ในธรรมรู้ว่าธรรมมีในตัวของเราแล้วแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติให้ถูกต้องมันก็เรียบร้อยดีทุกคนคานี้แหละธรรมแหละคบอธิบายพุง้งขวงต้อออกไปอีกคือชาติธรรมชราติธรรมชราติธรรม เ ช, าชลาพญาที่ทำมาราณะทมนี่ก็ทมเหมือนกันชาติชลาพญาทิพมาราณะเป็นธรรมเท่านั้นถ้าพูดว่าทำทาไมจึงเรียกว่าทมคือทุกคนจะต้องเป็นเหมือนกันหมดชาติ ควาเกิดมันต้องเกิดมาเป็นรูปเป็นนามเกิดมาเรียกว่าฉลากุชชะเกิดเป็นตนเป็นตัวออกมาใครจะเกิดไม่มีตัวไม่ได้ต้องเกิดด้วยการมดทุกค น, นเป็นตนเป็นตัวมาแล้วทุกคนนั่นเรียกว่าเป็นธรรมคือธรรมนั่นแปลว่าของเป็นอยู่ทรงอยู่ สภาพตามเป็นจริงอย่างไรต้องเป็นจริงอย่างนั้นเรียกว่าธรรมชาติพร้อมเกิดก็เป็นธรรมอันหนึ่งจะเป็นอื่นไม่ได้อย่างมนุษย์จะเป็นสัตว์เลี้ชาติกด้นอะไรต่างๆไม่ได้ต้องเป็นมนุษย์มนุษย์ต้องเกิดเป็นมีอวัยวะครบบริบูรณ์ยังเรียกว่ามนุษย์ครบครันบริบูรณ์แล้วทุกสิงทุกอย่าง ดูเถอดดูบ้านใดบังไดดก็ดูเถอดดูที่ไหนก็ดูเถอดมนุษย์เกิดขึ้นมาต้องเป็นมนุษย์เดียวกันทั้งนั้นนั่นเป็นธรรมเชนลาและขันทั้งเกิดไปแล้วอั้จะกลับคืนเป็นหนุ่มแล้วเกิดอีกไม่ได้ต้องเป็นตามเรื่องของสังขารเป็นตามเรื่องทุกเรื่องของเรื่องของมัน ต้องชำรุดสุดโสมแก่เท่าไปโดยดับเราทุกคนที่เกิดมานี้แก่ด้วยกันเั่านั้นไม่มีใครแก่ไม่มีใครไม่แก่แก่ตั้งแต่เป็นเด็กกระทั่งเราเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เรียกว่าแก่อย่าพูดแ้่ที่เรียกว่าหนุ่มว่าสาวเรียกว่าแก่แม้จะอยู่ในคันก็เรียกว่าคันแก่ยังค่อยคลอ แก่ไปโดยลําดับแต่คนไม่มองเห็นมองเห็นตั้งแต่ความแก่คนชำรุทโทรมจนกรากฏในตาเนื้อหนังมั้งสังแห้งแหงสุนยนต่างๆนั้นยังเรียกว่าแก่ของาอหัวคบขาวยังเรียกว่าแก่แก่เ น, นี้เรียกว่าปฏิฉันนะฉลาฉลาคือควแก่ คือแก่ปกปิดไม่เห็นคนทั่วไปไม่เห็นคือผู้เมายังไม่เห็นผู้ที่ปิยานาจึงเคเห็นมันแก่มาโดยลำดับปฏิชันนัชลาถนัดนั้นอปฏิฉันนัชลานั่นคือมองเห็นได้ชัดเจนเดียวใครๆก็เห็นใครๆก็รู้ลูกอฉะ น, นั้นเลยจึงเรียกว่าธรรม ันคือคมแก่พยาธ่ทำคือความเจ็บคมปวดเจ็บหัวปวดท้องเป็นไข้เป็นหนาวมีอาการเหมือนกันหมดทุกคนใครจะเจ็บยังไงก็เจ็บเจ็บเรียกว่าเวทนามันเสียดแทงมันเป็นเหตุให้ คนทุกข์ทรมานเวทนาทุกไม่มีมีแต่ทุกข์เดยกันทั้งนั้นคำว่าเวทนาเนี่ยคือหมายความดังไอ้ความเฉยไอ้ความอาพาธอนาถาวุธศาสาตร์ศาสนาเเรียกว่าอาพาธคือเสียดแทงคือมันเจ็บมันปวดอันอีจะเป็นปวดหัวก็เรียกว่าปวดเป็นไข้ก็เรียกว่าไม่สบายคือมันเสียดแทง หรือมันเจ็บท้องหรือเจ็บมือนแข้งมือนขาก็เรียกว่าเสียดก็เรียกว่าเสียดแทงอันการเสียดแทงอ่ะจึงเรียกว่าเวทนาะไม่เรียกว่าอาพาธําพลาดจึงเรียกว่าอาพาธเป็นธรรมเหมือนกันทุกคนเป็นด้วยกันทั้งหมดไม่เหลือหรอกเดคนเดียวมรณะ น, าานี่ความตายก็เป็นธรรม ความตายคือขาดลมหายใจเข้าออกเมื่มีมลมหายใจแล้วก็เรียกว่าตายใครตายแล้วไม่ไม่กลับไม่ไม่ยืนไม่เดินหรอกคนตายแล้วมันมันนอนมันเป็นเหมือนกันหมดทุกคนน่หะเสมอภาพทั้งหมดจิ่งทั้งสี่อย่างคือชาติราปัญญาทิพรณะทั้งสี่อย่างนี้มีครบบุญบริบูรณ์ทุกผู้ทุกคนเหมือนกันหมด ทั้งโลกนันจึงเรียกว่าเป็นธรรมคือไม่เลื้อหลอให้ใครดีกว่ากันเนะ่ะทุกคนต้องไปเืองกันหมดนั่นนะธรร ม, มเป็นจริงอย่างนั้นครานี้ถ้าหาพิจารณาลึกซึ้งเข้าไปถึงธรรมเบื้องต้นกับพิจารณานี้ใชก่อนพินายเห็นธรรมนี้ใชก่อน สภาพของมันเป็นอยู่อย่างไรเมื่อจิตใจมันแน่วแน่มันเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งโดยใจของตนเองอนันั้จิตมันเข้าเป็นสมาธิภาวนาแล้วมองเห็นอะไรบางนี่ความเกิดความแก่ของเจมันครตายเห็นหมดทุกข์เลยถ้ายังไม่ถึงนั้นไม่เห็นคนเกิดแก่จะตาย เห็นชัดเจก ว, ว่าใครก็พูดเหมือนกันได้หมดทุกคนเคยแก่จะตายไปธรรมดาเพราะว่าธรรมดาทุกคนนะแต่อันที่จะเห็นธรรมดาจริงๆอยจรงเชื่อจริงจังด้วยตนเองเลยมันต้องจิตพร้อมโดยจิตมันรวมเข้าถึงสมาธิไปก่อนมีที่เราต้องหัดตรงนี้สิหัดตรงสมาธนะิทําเรามีแล้ว แต่เรามาหัดสมาธิให้คิตทำเรามาหัดตรงนี้ออนเราต้องการหัดที่เดี้ยี้พระพุทธเจ้าท่านพระองค์ท่านก็มีเหมือนกันนั่นแต่เกิดมาตั้งแต่อุบัติขึ้นมาปท่านก็มีเหมือนกันแต่พระองค์มาไม่เห็นจริงตามเป็นจริงไม่เห็นธรรมท่านยังมาอบรมฝึกฝนตัวพระองค์ถึงหกภาษาท่านยังเห็นจริงแจ้ม ในทำตามสภาพคขงิงจริงเของมันแล้วจึงมาสอนเราพุทธบริษัทคือพวกเราทั้งหลายให้ปฏิบัติตามพวกเรานัานปฏิบัติตามบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้แต่ครั้งนี้กม่เมื่อไม่เห็นนึกไม่รู้ก็เข้าใจว่าทำในตนไม่มี บุญน้อยวาสนาน้อยอะไรต่างๆโทษไปทุกสิ่งทุกประการโทษตัวบุญน้อยวาสนาน้อยไม่โทษถึงเรื่องความไม่ปฏิบัติคันหาปฏิบัติกันจริงๆอย่างย่งงยมเห็นชัดด้วยตนเองทําไม่ได้ทำไมจะไม่จะไม่จะไม่เห็น ทำไห้มีตัวของเราในสมัยจึงไม่เห็นทดลองดูสิแค้งขาขาไวเจว้าทุกสิ่งทุกชิ้นส่วนยิกลองดูสิมันเจ็บไหมล่ะนั่นนหะมันเจ็บขนะ่ดมันเห็นนั่นแหละยิกลงไปก็เจ็บปวดเลยนั่นนหะเห็นได้เห็นทําแล้วแต่ว่าเหตุเพลินๆไมาเห็นชัดเห็นจริง ขันเห็นชาตเห็จริงตามเป็นจริงแล้วนั่นจริงแล้วนี่นั่นทั่วหมดทั้งโลกเป็นอย่างเดียวทั้งหมดไม่ว่าใครไม่เลือกหนักที่ยมเป็นธรรมเดียวกันทั้งนั้นมันก็ปล่อยวางได้การที่จะปล่อยวางมันต้องเห็นตามจริงจริงถ้าไม่ถึงความเป็นจริงแล้วปล่อยวางไดได้ ธ ร, รเทศนาที่ท่านพูดที่ท่านสอนไว้นะสอนตรงนี้สอนให้เห็นธรรมนี้ไม่ได้สอนอื่นสอนเข า, าถึงตัวของเราเราทุกคนเป็นเหมือนกันหมดมีธรรมด้วยกนนั้นสอนให้เห็นของจริงตรงนี้ที่จะพ้นทุกข์ได้เพราะว่าเห็นจริงนี้จะถึงว่าคนนี้ผานในฌานสมาธิธรรมบัดตรงนี้แหะไม่ได้อื่นไกล เห็นเฉพาะในตัวของเราถ้าไปเห็นของอื่นนั่นไม่ใช่เห็นของเราแล้วมันชัดต่อของอื่นไม่ไม่มีปัญหาถ้าแจ้งชัดในตัวตัวนั้นอันนี้จะเป็นธรรมคนอื่นก็เป็นธรรมเหมือนกันชิ่งอื่นก็เป็นธรรมเหมือนกันถ้าไม่แจ้งชัดอ่ะชิ่งอื่นก็ไม่เป็นไม่เป็นธรรมอันนี้อธิบายึเรื่องธรรมะคือของจริง เป็นจริงอย่างนั้นทุกสิ่งทุกประการอธิบายธรรมะมาวันนี้ก็เพียงแค่นี้แหละวิธีที่จะทำให้เป็นสมาธิคือมีพี่หัดสมาธิังต้องหัดอย่างที่จะอธิบายต่อไปนี้จิตเราไม่แน่ไ ม, ไม่ไม่ตั้งมัน่น ไม่อยู่เป็นอารมณ์อันเดียวมันต้องหัดเป็นให้มันเป็นสมาธิจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันทรงราจจิตมันกังวลเกีก่ยวข้องทุกสิ่งทุกประการมันจึงไม่มองเห็นธรรมนั่งอธิบายในฝั่งนั้นคราวนี้เราหัดหัดให้จิตแน่วแน่เป็นอันหนึ่งอันเดียวเพื่อจะให้เห็นธรรม ไม่รู้ทำให้เข้าใจในธรรมแล้วเราจะปฏิบัติตนตนให้อยู่ในขอบเขตของธรรมะอันนั้นน่ะจะนำมาสิงความสุขถ้าหากก็ไม่ปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของธรรมะมึงจะพุ่งอยู่ตลอดเวลาจิตเนี่ยไม่ได้เลือกคนมีคนจน มันพุ่งเลยตลอดเวลายิ่งมีมากยิ่งพุ่งมากพุ่งโวยกักนกังวลเกี่ยวข้องโผผันทรพัพย์ทุกอย่างหากลองสุขไม่ได้ที่ว่าสุขว่าสุขนั้นนะ่ะมันสุขบนทุกข์หรอกคือใช้จ่ายมีเงินมีทองใช้จ่ายได้ลุยสลายมากมาย ต้องการสิ่งไหนก็ได้แต่ต้องการสิ่งไหนก็ได้คําว่าต้องการนั้นคือความกังวลเกี่ยวข้องต้องการได้มาเนี่ยจริงไหยอย่างสมมติว่าเราได้เงินเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านนี่ได้มาเราต้องหาเงินมันยังค่อยได้ได้มาแล้วก็จําเป็นจะต้องรักษาบริหาร เราต้องการจริงแลนะเราเราไปใช้ไปซื้อไปแลกเปลี่ยนมาเราก็ต้องไปซื้อไม่ใช่มันซื้อมาให้เราอย่ารถใช้เวลาแล้วก็ต้องซื้อแล้วก็หาน้ํามันนะหาน้ํามันให้มันกินไม่ใช่รถมันเรียกมาหาเราเองไม่ใช่เงินเนะี่ไปเอารถเนีมาให้แต่คนนี่ไปซื้อเอารถมาให้มาให้แล้วก็ อันโรตนั่นล่ละมันเป็นเหตุให้เราเดือดร้อนวุ่นวายพร้อมทังนั้นความกันนั่นก็ให้ความทุกข์เป็นข้างๆไปคราวจะไปไหนะม า, ามแหนค่องแคล่วเรียกว่าได้ความทุกขนิดหน่อยแต่มันทุกข์มากทับใจเราอยู่ทับอยู่ในหัวใจโดยการรักษาด้วยการปฏิหารโดยห่วงใยเป็นทุกข์เดือดร้อนเห็นนั่นยังว่า อันจิต ท, ที่จะสงบที่จะนิ่งแน่วสงบนั้นมันเป็นสุขอย่างยิ่งแต่ว่าสุขนั้นไอ้จิต ท, ที่จะสงบแล้วไม่ของหายากบางคนนั่นเกิดขึ้นมาไม่เคยเห็นความสุขเลยในการสงบของจิตสักครั้งเดียวหรือบางคนก็ได้เป็นบางครั้งบางคราวนี่เราจึงต้องหัดทุกคนจะต้องหัดเจอกันทั้งนั้น ไม่ต้องการจไม่ต้องการจะหัดจะพระพระนั้นถ้ามีโอกาสมากันต้องต้องหัดต้องปฏิบัติเพราะญาติโยมอยู่เป็นคาะวัดมีโอกาสน้อยเห็นนั้นฉันต้องทำให้จริงๆจรงจั ง, จ ง, จงถ้าทำเด็ดเดี่ยวกล้าหารยอมสลาทุกสิ่งทุกประการถึงหาก็มาได้มากในขณะที่นั่งภาวนายอมสลาจนมดไม่ให้มีอะไรเหลือหรอ ก็ได้ความถุกเหมือนกันอยู่ที่จิตนั่นต่างหากจิตที่มันละอาหารนิดเดียวนั่นต่างหากฉะนั้นการฝึกหัดจิตนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องฝึกหัดทุกคนเป็นของใครของมันทั้งนั้นคนอื่นหัดก็ไม่ได้แล้วก็เมื่อจะหัดต้องตั้งคาปฏิการอะไรนึงขึ้นไว้เช่นว่าพุโทโธก็ดีว่า หรือว่านาปาสติก็ดีเอาอเดียวถ้าจะเอาไหนก็เอาเนืแต่อันนั้นจิตถ้ามันแน่วอยู่ในอารมณ์ น, นั้นพุทโธตั้งจิตไว้ที่พุทโธนั้นเรื่องนาปาสติเอาอเดียวจิตมันมีหลายไม่มีหลายอย่างบางที่มันมากนะหมายความว่าจิตเราไม่รู้เท้าจิตไม่รู้เรื่องของจิต มันจังมากท่านท่าหางรู้เท่ารู้เรื่องของจิตแล้วนะมันมีอันเดียวเท่านั้นแหละแต่มันเร็วแซนเร็วมันคิดโนนคิดนี้มันคิดอันนี้อย่างนั้นจบคิดอันนั้นต่อไปเป็นยืดยาวไปแท้ที่จริงอันเดียวเท่านั้นนะจิตผู้เดียวเท่านั้นนะเห็นนั่นท่านจึงพูดไว้ในมัทกสมังคี ท่นบอกว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสตัร์รู้ในขณะจิตเดียวในขณะจิตเดียวนั่นเนี่ยนต้อนมากมายแล้วถ้าหลายอย่างมันจะไปรู้เห็นอะไรรู้ในขณะจิตเดียวนั่นเนี่ยรู้ธรรมะแจ้งกระจายชัดเจนนั่นตัเองคืงว่าหัดให้พิจารณาอันเดียวเอาอันเดียวให้มันหลงถึง ธรรมะทามันลงถึงสัจจะทามันลงถึงความเป็นหนึ่งสมาธิทำสมาธิแปลว่าจิตเป็นหนึ่งให้ตั้งมันอยู่ในอารมณ์เดียวท่นานนั้นเรียกว่าในสมาธิทั้นเมื่อจิตเป็นอารมณ์หนึ่งแล้วมันปล่อยวางอย่างนั้นคบริกรรมไม่คิดคํานึงถึงเราปล่อยหมดเอาแต่จิตัหนึ่งเท่านั้น คือไม่จิตเป็นหนึ่งแลคานี้จับว่าจิตผู้เป็นหนึ่งครับมันได้น่าเสียงค่อยรักษาจิตอย่าเป็นหนึ่งท่านวัดแล้วไม่ได้นึกคิดว่าจะให้มันเป็นแล้วไม่ได้นึกคิดว่ามันเป็นอยู่หรือมันเป็นแล้วมันนั่งเป็นเองขึง้นมนท่านจิตพิจารณาเองกำหนดอาแต่พุโทโธอันเดียวหรืออนาปาสติอันเดียวมันรวมลงไปแล้วมันวางเองวนน หากไม่หวางก็ต้องวังอานาจิตเป็นสมาธิจิตเป็นหนึ่งอันจิตเป็นหนึ่งนี่แหละจะรู้จักว่าจะรู้สึกว่าสมาธิมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์แก่ชีวิตของเราอย่างไรสมาธินั้นมีประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติอย่างไรรู้ด้วยตนเองจะเห็นคุณค่ามหาศาลของการทำสมาธิ เราเอาแต่นี้